ในการทำการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยาวมันก็จะต้องค่อยเป็นค่อยไปพระุทธเจ้าใช้คำตรงนี้นะว่าการฝึกตามลาดับการฝึกตามลาดับเช่นว่าเราจะไปวิ่งเนี่ยแหมถ้าเด็กเพิ่งเกิดมาจะไปวิ่งก็คงจะไม่ได้แต่มันก็จะต้องเดินซะก่อนเดินได้ซะก่อน จะเดินได้ก็จะต้องตั้งไขได้มีกําลังแขนขาขึ้นมาค่อยๆเป็นการพัฒนาพัฒนาขึ้นไปเป็นลําดับก็เรียกว่าการฝึกตามลําดับขั้นแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันไม่ใช่เฉพาะในทางคําสอนของบําเพ็ญญาติโนฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรในชีวิตของเราก็ตามจะเป็นการทํางานหรือว่าการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปก็เรียกว่าเป็นไปตามลําดับแต่จริงลําดับนี้อาจจะเร็วหรืออาจจะช้า แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแต่ว่าจะเป็นไปตามลําดับเพราะฉะกับว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าจะพูดได้ถูกก็คือเป็นไปตามลําดับลําดับที่ค่อยๆสร้างขึ้นอาจจะสร้างเร็วหรืออาจจะสร้างช้าแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันแต่พระเจ้ายกตัวอย่า ง, างนี้มาฟังเปรียบเหมือนกับน้นําฝนที่ตกลงบนภูเขาน้ําฝนตกลงบนภูเขานําไปออกทะเลได้นะน้ําฝนตกลงบนภูเขาที่เชียงใหม่เชียงรายหรือทางภาคเหนือแลเอาไปออกทะเลได้ แต่ว่ามันจะไปถึงทะเลเนี่ยมันก็ต้องมาทางแม่น้ําถูกไหมแม่น้ําเจ้าพระยาบ้างแม่น้ําโขงบ้างน้ําที่ออกจากแม่น้ําโขงนู่นๆมาจากเมืองจีนนะเพื่อใ้ออกทะเลได้ที่แม่น้ําโขงปากแม่น้ําโขงอยู่ที่ประเทศเวียดนามนี่หรือว่าแม่น้ําเจ้าพระยาน้ําที่ออกปากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยก็มาจากทางบาคเหนือแมันมาได้ไงมันมาทางแม่น้ํามันมาทางแม่น้ําเจ้าพระยานี่แหละที่ผ่านกรุงเทพไปเอาล้นมาตรงนี้ได้ไง มันก็ผ่านจากแม่น้ําน้อยๆต่างๆมาแม่น้ําใหญ่ตอนนู้นทางตอนเหนือเหนือเป็นแม่น้ําน้อยปิงวังยมนั่นรวมกันมาอแม่น้ําน้อยมาได้ไงแม่น้ําน้อยก็มาจากบึงใหญ่ๆนบึงบรเพชรบึงนั้นบึงนี้เนี่ยรวมๆกันมานบึงใหญ่ๆนี่มาจากไหนมันก็มาจากบึงน้อยๆเนี่ยบึงน้อยๆเต็มแล้วบึงใหญ่มันก็เต็มถามว่าไอ้บึงน้อยๆมันเต็มขึ้นได้อย่างไร ก็เพราะว่าซอกเขาซอกห้วยซอกผาต่างๆนั้นค่อยๆเต็มขึ้นมาค่อยๆเต็มขึ้นมาอาล้วมาจากไหนตรงนั้นก็มาจากฝนที่ตกนั่นแหละจากเขื่อนบ้างจากเขื่อนตรงนั้นเขื่อนตรงนี้เก็บน้ํำมาไว้เขื่อนนี้เอาน้ำมาจากไหนฝนก็ไม่ได้ตกตรงหน้าเขื่อนสันเขื่อนฝนนั้นไปตกตรงนู่นไกลๆตามภูเขาตามป่าไม้ป่าเก็บน้ํำมาไว้ค่อยๆปล่อยออกมาเนื้อน้ําก็ถูกกักสะสมขึ้นสะสมขึ้นที่เขื่อน นาเขือ น, นี่ก็เปรียบเสมือนบึงน้อยบึงใหญ่เนาเขื่อนแต่ละประเภท ก, ก็ใหญ่เล็กไม่เท่ากันนาปล่อยมาตามแม่น้ําน้อยนาแม่น้ําใหญ่ก็ออกสู่ทะเลได้เป็นอย่างนี้ทุกอย่างท่านฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการที่เราจะพัฒนาผลผลิตใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งนาต้องเป็นไปตามลําดับขั้นลําดับขั้นเนี่ยจะเร็วลำดับขั้นเนี่ยจ จ, จจะช้าแต่ราควรไม่เท่ากันแต่ยกตัวอย่างเร่อการเรียนหนังสือก็ได้ ในการเรียนตามระบบโรงเรียนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปเรียนอนุบาลประถมมัธยมขึ้นไประดับมหาวิาทยาลัยแต่ใครเป็นสายอาชีพก็ไปอีกสายหนึ่งอย่างนี้ซึ่งแต่ละคนโดยปกติก็จะใช้เวลาประมาณ12ปีแต่บางคนฉลาดเก่งแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าก็มแีแต่ก็ต้องเป็นไปตามลาดับกันเด็กบางคนเรียนประถมหรือมัธยมเนี่ยไม่กี่ปีเด็กที่ฉลาดฉลาด ถามว่าความรู้เขามีไหม <oo> เขาต้องมีความรู้ในระดับที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยก่อนมหาวิทยาลัยถึงจะรับคุณได้ถามว่าคุณจะมีความรู้ในระดับที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะคือต้องมีความรู้ในระดับมัธยมความรู้ในระดับมัธยมมาจากไหนก็ここเรียนเนี่ยแหละบางคนก็6กปีอ่ะบางคนกว่านั้นอีกแต่ได้บางคนใช้เวลา3ปีแล้วก็เรียนระดับมัธยมได้ซึ่งความรู้ตรงนี้มันก็ต้องเป็นไปตามระดับกันการปฏิดัติธรรมไม่ต่างกันจำฝัง <t> การที่เราจะสะสมสร้างสมได้คือเราทําอยู่เรื่อยๆทําอยู่บ่อยๆทําอยู่อย่างติดต่อไม่ขาดสายทําอยู่นั่นน่ะทําช้ําทําย้ําทำก็ไปนะ่ะปฏิบัติเข้าไปทำก็ไปนะ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนฝนที่ตกลงบนภูเขาน่ะมันก็จะค่อยเต็มขึ้นน้ําเต็มขึ้นเต็มขึ้นะอะไรที่ว่าทำเนี่ยทำบ่อยๆนี่ทําอะไรนะสตินี่แหละต้องฟังนะ่ะเราฝึกสติเอาไว้นะ่ะทุกวันที่ข้าพเจ้าจะมาพบกับเจ้าบูฟังก็เพื่อที่จะให้ฝึกสติ จริงๆนะท่านผฟังอ่ะฝึกสติต้องตลอดเวลาเดี๋ไม่ใช่เฉพาะตอนที่ฟังธรรมถ้ามาทําเฉพาะตอนนี้มันน้อยไปมันไม่ต่อเนื่องคือต่อเนื่องอยู่เนื่อเพราะว่าทุกสัปดาห์เราก็มาเจอกันทุกวันเราก็มาเจอกันเวลาเช้าๆเจอกันพบกันเพื่อที่จะฟังธรรมะอ้าวฝึกสติทําใจของเราให้ตั้งมั่นมีสมาธิเป็นโรมณันเดียวมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายให้มีจิตตั้งมั่นเป็นโรมณันเดียว ฝึกกระทาอย่างนี้ให้ดีทําให้บ่อยแต่คือถ้าจะมาทําเฉพาะในรายการก็ได้ก็ทําอยู่อย่างต่อเนื่องแต่มันน้อยไปหน่อยนะวันละครึ่งชั่วโมงมันน้อยไปหน่อยแล้วทํามันตลอดเวลาตอนเช้าก่อนลุกขึ้นจากที่นอ น, นตื่นแล้วเอาขึ้นนั่งในก่อนที่จะออกจากที่นอนนั่งอยู่บนเตียงนั่นแหละให้ตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้มีสติอยู่ในลมหายใจ แผ่เมตตาไปทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่โดยจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาโดยจิตที่เป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาอุเบกข า, าทําให้เป็นนิสยัยทําทุกวันก่อนลุกออกจากที่นอนทําอย่างนี้วันละ5นาที10นาทีจนเจริญเมตตาภาวนาเจริญพรหมิหารสีทําด้วยระว่างรอรถโดยสาร บางคนเดินไปทํางานในป่าในสวนในนาข้าวเราก็ให้มีสติในการเดินไปการทํางานของตัวเองอันนี้ก็เก็บสะสมแฝนตกลงบนภูเขานูน่นทีละน้อยละน้อยตกอยู่ยังไม่หยุดบางคนก็ระหว่างรอรถโดยสารระหว่างรอการประชุมขึ้นลิฟต์เดินขึ้นลงบันไดพวกนี้คุณฝึกสติให้ได้ในะ อ, ยอยู่ตลอดทําได้ตลอดตรงฝั่งตัวนี้ทีละเล็กละน้อยเราทําทำท ำ, ทำ ทำอย่างต่อเนื่องประเด็น ม, มันคือตรงนี้ตรงฝั่งคือคนมันไม่ทําหรือหรือว่าทําแล้วหยุดหยุดทำแล้วขาดขาดหายหายทำแล้วเดี๋ยวก็เลิกกลางคันทําไม่ต่อเนื่องทําอย่างขาดสายทําอย่างไม่ติดต่อฝนแรงอันต่บังฝนแรงเดีวตกตกหยุดหยุดไม่มาน้ําไม่พอที่จะทํำนาะที่จะทำการเกษตรเดี๋หรือว่าเรียนเรียนเลิกเลิกอ่าอทิตยหนึ่งเรียนเจวัน เขาให้หยุดเสาติดเรียนแค่5้าวันไปเรียนสักวัน3วันแล้วก็หยุด2วันสวันแล้วก็ไปเรียนอีก4ี่ห้าวันปีหนึ่งมันจะไปเรียนจบไหมล่ะหยุดหยุดติดๆดดับดับมันมันไม่ได้นี่ยมันก็จะทําให้การปฏิบัติการทํางานไม่ต่อเนื่องอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการปฏิบัติทํานัหวังในทุกๆเรื่องเลยนะในทุกๆเรื่องเอาเรื่องการเก็บเงินอ่ะบางคนตั้งใจว่าฉันปีนี้ฉันจะเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้เก็บเงินหยอกกระปุกอ่ะตั้งใจว่าจะเก็บไว้ละเท่านี้ เดี๋ยวทำไปสัก7วันดีอยู่ทําไปได้อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์มันเริ่มมันเริ่มไม่ต่อเนื่องเนเริ่มไปทางอื่นเห้ยมีเรื่องนี้ให้เข้ามาซื้อมีเรื่องนี้ให้เข้ามาใช้เงินมันก็ไม่งอกเงยนเรื่องกันเก็บเงิ น, นการนหนังสือการเรียนหนังสือการทํางานในบริษัทนี่ยทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทัง้งฝั่งการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ต่อเนื่องเน่ยมันจะไม่เกิดผลถ้าเราทําอย่างขาดขาดติดๆตําดับ มันก็ให้ผลได้ไม่เต็มที่มันก็จะช้าก็จะเป็นการเนิ่นช้าแต่ละคนมันเร็วมันช้าไม่เท่ากันนะแต่จะให้ผลได้กูชอบมีการกระทําอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งที่มันจะต้องติดต่อต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการเกษตรนี่เห็นได้ชัดเจนการทํางาน e เห็นได้ชัดเจนการเรียนหนังสือเห็นได้ชัดเจนความสัมพันธ์เห็นได้ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติธรรมยิ่งเห็นได้ชัดเจนต้องมีการกระทําฟังให้ดีเต็มฟังการกระทํำ อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องมีการทํ า, อ, อ, า, า, ยารรทอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายการกระทําอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายฝึกเป็นลําดับขั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้ว่าอย่าให้ขาดสายที่ถ้าเรายังไม่ได้รับผลที่หวังแต่ยังไม่ได้รับผลที่หวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการทํางานการเรียนหนังสือหรือว่าการปฏิบัติธรรมก็ตามถ้ายังไม่ได้รับผลตามที่คาดหวังเอาไว้แสดงว่าการกระทําตรงนี้ยังมีอะไรที่มันหายไปอยู่ มันยังมีอะไรที่ยังไม่เต็มอยู่อาจจะทําอยู่แต่ยังไม่เต็มแต่สิ่งที่พระเจ้าได้พูดถึงในที่นี้ก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์และความบริบูรณ์ธรรมะของพระเจ้าท่านฝังเป็นสิ่งที่ประกาศเอาไว้บริสุทธิ์และบริบูรณ์คาว่าบริสุทธิ์นั่นก็คือดีถูกไหมแบบว่าถ้าน้ําบริสุทธิ์ร้อเปอร์นไม่มีสารอื่นเจือปนเลยดีมากนะคำว่าบริบูรณ์ก็คือต้องเต็มขึ้นมาตามลําดับขั้นที่นั่นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงน้ําที่จะ ใช้ในการดื่มการกินมันก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องหลายลิตรสามลิตรบางคนดื่มน้ําวันละ2ลิตรก็ดีวันละ8แก้วอย่างนี้จะดื่มก็ต้องเป็นแก้วๆถึงจะงดื่มได้แหมน้ําบริสุทธิ์หยด2หยดเนี่ยมันกินไม่หายคอแห้งบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์อยู่แต่ยังไม่บริบูรณ์แดีวบางทีคุณนั่งสมาธิได้3มินาทีแหมส3มนาทีดีไหมตรงช่วง3มินาทีทําได้ บางคนสามารถทำจิตให้สงบได้สัก2งลมหายใจอย่างเงี้ยลมหายใจนี้ฉันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยทำได้ไหมได้ดีไหมดีพอไหมแหมยัมมยงน้อยไปหน่อยอยังน้อยไปหน่อยถ้าสักครึ่งชั่วโมงสมมติเรานั่งสมาธิห่1ชั่วโมงในหนึชั่วโมงนี้คุณทำจิตให้สงบได้3ลมหายใจ3ลมหายใจนี่มันพอนาทีไหมท่านฟังไม่พอนาทีนะเกิดล้ เกินสมลมหายใจแล้วยังไม่ถึงนาทีเลยแต่จำไว่าในช่วงนี้เราทรําจิตให้สงบได้กับอีกที่เหลือ59นาทีจิตวุ่นวายคิดฟุง้งซ่านแสบสายไม่รวมลงเป็นสมาธิมีความฟุง้งซ่านคนส่วนใหญ่ก็จะบอกโอ้ทําสมาธิไม่ได้เลยเนะี่ยเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เป็นน้ำไม่ได้แต่ถ้าเราจะพูดว่าแหมฉันทําไม่ได้เลยมันก็ไม่ถูกเพราะอย่างน้อยก็ยังทําได้3ามลมหายใจเป็นต้นบางคนทําได้ดีกว่านั้น ห้านาทีสิบนาทีจะทําจิตให้สงบได้ดีอยู่แต่ที่เหลืออีก50นาที5้าสิบห้านาทีทำไม่ได้ฟุ้งซ่านดีไหมดีนะท่านฟังดีไอ้ตรงที่มันทําได้ดีบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์แน่นอนทาถูกอยู่แต่มันยังน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยเราก็พยายามจะขยายไอ้ตรงที่เราทําได้ทําดีแต่ขยายไอ้ตรงที่เราทําได้ทําดีให้มันมากขึ้นทําด้ง่ายก็ฝึกบ่อยๆทํำบ่อยๆตรงนั้น แต่ไอ้ตรงที่เราทํา บ, ой บ, ой บ ой ่อยๆฝึกบ่อยๆเดี๋ยจิตของเราท่าตริีรืดไปในเรื่องใดๆมากมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ถ้าเราเอาใจของเรามาใส่ในเรื่องไหนท่างฟังมันจะค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นมาคําว่าค่อยๆนะท่านฟังหมายความว่ามันอาจจะเร็วก็ได้นะคําว่าค่อยๆในที่นี้หมายถึงว่าเป็นไปตามลําดับขั้นคุณไปจ่อไว้ตรงเนี้คุณไปจี้ไว้ตรงนี้คุณตัณ้งสติไว้ตรงนี้ แต่ยังไงมันก็ต้องได้แต่ถ้าเราทําอย่างติดต่อไม่ขาดสายประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดวันนี้ทำฟังก็คือว่าคนมันเลิกกลางกันแต่คุณทําไปทำไปทำไปได้ห้าวันสิบวันเรื่องอื่นมาทําให้เราควยไปทํา ไ, ไม่ต่อเนื่องอย่างคนที่เขาเรียนหนังสือเด็กเกเรต่างๆเรามีเราเห็นอยู่ใช่ไหมทําห้ทําไมเขาไม่ตั้งใจเรียนเนาเด็กเกเรบางคนฉลาดฉลาดแต่เก่งด้วยเรียนเก่งเรียนเก่งแต่ว่าเรียนไม่จบทำไมเรียนไม่จบ อาจจะมีเพื่อนชั่วพาไปแต่ไปตีสนุกไปเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์หนังสือนักหาไม่อ่านเจงอยู่แต่ไม่อ่านหนังสือไม่ได้เรียนอย่างติดต่อมันก็หมดสิทสอบบ้างเรียนไม่จบบ้างไม่ได้ไปเรียนตามคาับที่โค้กําหนดก็เขาก็ไม่ให้สุนสอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าการกระทําที่ไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่องแต่มันจะติดต่ออย่างต่อเนื่องได้ทําอยู่แต่ไม่พอ ทำแต่ไม่พอเลิกกลางคันแต่ทำได้ไม่พอเลิกกางคันเขเพราะว่ามีเรื่องข้องเครื่องขวางเรื่องที่มันจะทําให้เราหนีออกจากสิ่งที่เราควรจะต้องกระทําแต่เครื่องข้องเครื่องขวางที่ทําให้เราหนีออกจากสิ่งที่เราจะต้องกระทำพระเจ้าได้พ upstream, ูดถึงเรื่องของนิวรณ์ความฟุ้งซ่านลาคาญใจความง่วงความเบื่อความที่ต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าทําให้ใจเราเนี่ยไม่สามารถจดจ่อในสิ่งที่เราควรจะต้องกระทําได้ไม่วจะเป็นการอ่านหนังสือการทํางาน การเ ร, รียนรู้การพัฒนาทักษะอย่างได้อย่างหนึ่งแต่ต้องทําจนกระทั่งให้มันได้แต่มันถึงจะเกิดผลขึ้นมาเป็นไปตามลาดับขั้นเด็กที่เขาเรียนเก่งเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็คือว่าเหมือนมีความบริสุทธิ์อยู่มีความเก่งอยู่แต่ว่าไม่บริบูรณ์เพราะเราจะทําความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นมาบริสุทธิ์คือต้องทําถูกแต่ต้องทําถูกหมาก็ต้องเป็นสัมมามัติจะทําสติก็ต้องเป็นสัมมาสตินะจะทําสมาธิก็ต้องเป็นสัมมาสมาธิ อันนี้คือมีความบริสุทธิ์อยู่แต่ก็ต้องทําให้บริบูรณ์ด้วยทําไมคนเราถึงทําแล้วมันไม่ต่อเนื่องทําไมถึงทําแบบกระปิดกระปายทําหยุดหยุดเลิกเลิกทำทำติดติดดับๆับน่ะไม่ต่อเนื่องทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อสครู่ข้ขาพเจ้าพูดถึงเรื่องของนิวรณ์ถูกไหมนั่นคือเครื่องขวางแล้วอะไรที่ทําให้มันเป็นเครื่องทําให้ไปได้นั่นคือความเปลี่ยนความเพียนจะทําให้เราทําต่อได้ความเพียนจะทํ า, ทาทให้เราเป็นคนทําจริง แน่วแน่จริงอย่างคนที่ทําจริงแน่วแน่จริงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทําจริงแน่วแน่จริงทุกอย่างมีอุปสรรคอะไรมาทําไงก็ทําต่อไปแต่ไม่เลิกไม่ถอยไม่ท้อมีเรื่องนั้นมากวนอีกก็ทําต่อไปแต่ไม่เลิกไม่ถอยไม่ท้อแต่การที่คนไม่เลิกไม่ถอยไม่ท้อมีอะไรมากวนใจนิดนึงเสียงตรงนั้นตรงนี้หรือความคิดผ่านเข้ามาไม่สนใจไม่สนใจไม่ทำไม่ทำไม่ทำเตยทำแมานี้อย่างเดียว ไม่สนใจอันนั้นไม่ทําอันนั้นอะไรที่มันจะมากวนอะไรที่มันจะมาทําให้เราเขวออกนอกแนวอะไรที่มันจะทําให้เราไม่ได้มาสนใจในสิ่งที่เราควรจะต้องสนใจไม่เอาอันนั้นแตการที่เราไม่เอาอันนั้นได้จิตก็จะต้องมีการทําจริงแน่วแน่จริงคนจะทําจริงแน่วแน่จริงตัวนี้คือความเปลี่ยนในตั้งว่งความเพียรเนี่ยมันจะมีหลายส่วนอยู่นำไปถึงการกระทําของเราด้วยที่เราที่ครัพเจ้าพูดถึงการกระทําอย่างติดต่อต่อเนื่องไม่ขาดสาย อันนี้ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือความที่เราทําจริงแต่คนที่มีกําลังใจในการที่จะทําว่าฉันต้องทําอันนี้ฉันจะไม่ทําอันนึง อ, อย่างพูดถึงการปฏิบัติธรมีความคิดเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งมันล่อให้คุณคิดมีเสียงเข้ามาอย่างใดอย่างหนึ่งมันล่อให้คุณปรุงแต่งไปถามเดยวมีภาพอย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นในใจโอ้ oh, เดี๋ยววันนี้ต้องไปทําอันนี้มันจนมันล่อให้เราไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนั้นเราจะมีความง่วงโอ้มันง่วงมัันนนนนนออยาากกห้ฝมต อากาศมันเย็นไม่เอาอันนั้นนะไม่เอาอันนั้นเราจะมาจดจ่อไว้อยู่กับใจที่เป็นสมาธิเป็นอารมณเดียวจิตที่มันไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีอาการง่วงซึมไม่มีความคิดฟุ้งซ่านใดๆไม่มีความหยาดใดใดเนี่ยเราพูดถึงกันมาหมดแล้วตรงฝังที่ว่าเครื่องของเครื่องขวางเครื่องดึงเครื่องรั้งมันจะมาดึงเลยถ้าเราไปพูดถึงตรงนั้นอีกก็ถือว่าเราเอาใจไปใส่ตรงนั้นไม่เอาเราเอามาใจใส่ตรงที่เราจะต้องทําใจของเราให้นิ่งได้ คนที่จะมีกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มาร่อลวงทดาน้ฟังเด็กนักเรียนที่เขาเรียนหนังสือเขาจะมีเพื่อนชั่วอาจจะมีก็เรื่องร่ำลวงอะไรในทางที่ทําให้เขาไปไม่ดีไปตีสนุกไปเล่นเกมกับคอมพิวเตอร์ไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนั้นเขาจะมีกําลังในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มาจะมาดึงไปในทางต่างๆ ต, ตรงนี้แหละคือกําลังใจกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่ กำลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีกำลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาล่อลวงซึ่งมันจะมีกำลังในการที่จะดึงเราให้ออกจากแนวทางเราจะไปสู่ทางนั้นฝังไปสู่แม่น้ำนู่นนะออกทะเลนู่นนะน้ำฝนตกลงบนภูเขาดูนฟังไปออกทะเลได้ต้องไปตามทางเท่านั้นไปทางอื่นไม่ได้ต้องไปตามทางนี้เท่านั้นมันก็จะมีเรื่องใหเราออกนอกทางอย่าไปทางนั้น น้ำมันจะออกสู่ทะเลได้ก็ไปตามทางต่ำํำเรียกว่าไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกตามแรงดึงดูดของโลกชาวนาเนี่ยบางทีเขาก็ใช้เหมืองน้ําในการบังคับน้ําให้ขึ้นไปที่สูงไหลไปตามร่องน้ําไปสูน่นาตรงนั้นตรงนี้ชักน้ําไปได้เพื่อที่เขาจะนําน้ําไปใช้งานในการเกษตรการลดพืชผลผลผลิตของเขาแต่สามารถควบคุมได้เพราะนั้นเราจะไปสู่ที่ที่มันจะดับไม่เหลือของทุกเนี่ย เราก็ไปตามทางควบคุมได้จิตเราควบคุมได้จิตเราต้องควบคุมให้ได้แตไม่ให้มันไหลไปในทางที่มันจะไม่ดีไม่ให้มันไปในทางที่มันจะผิดแตให้ไปในทางที่ถูกต้องถามว่าคนที่เขาจะเฉยไฉเป๋ออกนอกทางไปสู่ในทางที่มันไม่ใช่ไปในทางที่มันผิดแต่เขาจะต้องมีการทําจริงจิตต้องมีกําลังใจกําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่กําลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นอกุศล กำลังใจในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่มันจะมาล่อลวงยั่วยวนให้เราออกนอกทางแต่กำลังใจในที่นี้ข้าพเจ้ากําลังพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนนั่นเองในความเปลี่ยนการทําจริงแน่วแน่จริงการทําจริงแน่วแน่จริงนี่คือการกระทําราวหนึ่งด้วยการทําจริงแน่วแน่จริงคือกําลังใจในการที่เาจะปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่ด้วยกําลังใจนี้มาจากไหนท่านฟังกําลังใจนี้มาจากไหนสําหรับข้า พ, าพาเจ้าเองกําลังใจในาการที่จะให้อยู่ปฏิบัติ กำลังใจในการที่จะให้เรามีสติมั่นตั้งขึ้นกำลังใจในการที่จะทําให้เราปฏิเสธสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะมายัว่วยุลอลอดลวงเราให้ออกกําลังใจนั้นมาจากความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าตื่ช้ามาครัพระเจ้าทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้ากันนึกถึงว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์นทานฟังตราตรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม้เพราะเหตุอย mm ่างนี้อย่างนี้ตื่นจ้ามาเนื้อกันนี้ก่อนกําลังใจมันมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชามีทั้งความรู้และความสามารถก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างจำแจ้งก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้แต่คิดถึงตรงนี้ก่อนปุ๊บเนี่ยกําลังใจมันมา มันทำให้เราสามารถที่จะตั้งใจตั้งมั่นในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสาเร็จขึ้นมาได้ทำอยู่ทำอยู่ยแต่ยังไม่สาเร็จกว่ามันจะได้ผลผลออกมาได้มันต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องคุณจะทำอยู่อย่างต่อเนื่องได้อย่าเปนะอย่าเป๋อย่าเลิกกลางคันทำให้ติดต่อทำให้ไม่ขาดสายนะทำตามลาดับจะเร็วจะช้าก็ขอให้ทำเป๋มันจะช้า มันจ อ, อกนอกทางมันจะเป็นการเนิ่นช้าเราอย่าเป๊ออกนอกทางแต่ให้มีกําลังใจแต่ทาจริงแนว่วแ น, วแนว่จริงมีกําลังใจในการปฏิเสธสิ่งที่มันจะมายั่วยวนลอ่อลวงมีกําลังใจในการที่เราจะอยู่ในแนวทางทําอย่างต่อเนื่องทำายัางไม่ขาดสายระลึกอยู่เสมอในฝังคนเรามีเวลาจํากัดมีอายุ ก, ก็ประมาณร้อยปีเกินกว่านั้นก็นิดหน่อยถ้ามีส่วนใหญ่จะไม่ถึงไม่ถึงร้อยปีอาว่าไป50ปีก็อาจจะยังยาก จากนี้ไปคุณมีเวลาแค่นี้เองนะมีเวลาแค่นี้ไม่นานเพราะกว่าที่มันจะออกผลมาได้บางสิ่งบางอย่างใช้เวลาเป็น10ปีแต่สิปีกว่าจะเห็นผลแต่คุณจะทำสิบปีตรงเนี้ให้มันได้ออกผลมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าในแต่ละวันของแต่ละปีมีสามร้กว่าวันเนี่ยคุณทําอะไรแต่ในแต่ละวันเนี่ยที่คุณทำมันก็มีแค่ยีบสีชั่วโมงในยี่สิบี่ชั่วโมงก็ต้องหักนอนออกไปหักกินออกไปหักเดินทางออกไป หนกแน่นนี่ออกไปเหลือกี่ชั่วโมงล่ะในช่วงนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยคุณทําอะไรใ น, ในแต่ละชั่วโมงก็มีแค่หกนาทีอ่ะในแต่ละนาทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําใน1 น, นาทีฟังธรรมะบ้างอ่านหนังสือธรรมะบ้างหรือถ้าเราพูดถึงการงานหรือการเรียนหนังสือการทําตรงนั้นตรงนั้นในแต่ละนาทีนั้นแต่ละนาทีนั้นเนี่ยมันก็สร้างสมสะสมเป็นชั่วโมงขึ้นมาเป็นลหลายๆวันขึ้นมาเป็นหลายๆสัปดาห์เป็ น, ล ห, ลปปนลหลายเดือน เป็นปีเป็นปีเป็นปีมันถึงจะเห็นผลท่านผู้ฟังลองพิจารณาคิดถึงตัวเราเองดูนั่นในช่วงชีวิตของเราที่ผ่านมากี่ปีก็ไม่รู้หรอกอาจจะมีเรื่องอะไรที่มันสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่มีในชีวิตของเราบางคนอาจจะเลี้ยงต้นไม้ขึ้นมาได้เป็นต้นหนึ่งได้สําเร็จโตขึ้นมาได้บางคนอาจจะทําอาหารได้มีความสามารถในการทําอาหารบางคนอาจจะมีความสามารถในการอ่านการเรียนหรือการเขียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ถามว่าความสามารถที่คุณมีหรือความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เรามีในชีวิตของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณมีขึ้นมาเนี่ยให้ดูให้ดีมันจะต้องมีการกระทําอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งที่ทํามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างเช่นวัฒกคนที่ทําการเกษตรดีแต่คนอาจจะเลี้งต้นไม้ขึ้นมาดูแล้วมันดีมันโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีการกระทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นรดน้ํามันทุกวันหรือว่าการทําอาหารแต่คุณจะทํามาดีได้มันจะต้องมีการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณ ทำอยู่อย่างต่อเนื่องบางคนอาจจะศึกษาเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องบางคนอาจจะฝึกกระทำเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเป็นหลายเดือนหล า, ลายวันบางคนอาจจะเป็นหลายหลายปีต่อเนื่องกันแต่มันก็ดีขึ้นมาได้มันคือตรงนี้จำาป็นบังมันคือตรงนี้เราจะมีกำลังใจแน่วแน่จริงทำจริงในสิ่งที่ควรทาได้อย่างต่อเนื่องไม่เลิกกลางคันไม่หนีหายไปไหนเหนื่อยก็ยังทา ท้อก็ยังทําทําททมันอยู่นั่นแหละจะทําอย่างนี้ได้อย่างไรเหมือนเครื่องจักรเลยน้ำฟังบึมบึมเปิดปุ๊บ ม, มันต้องทําตลอดเนะี่อย่างไรก็ตามนะคือเครื่องจกักรในหมายถึงว่ามันก็ต้องมีเวลาพักใช่ไหมมันก็ต้องมีเวลาที่ซ่อมบํารุงนะถ้ามีเวลาซ่อมบำรุงพักก็ซ่อมไปทําไปมันก็จะทําได้อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจิตใจงเราก็เหมือนการน้ำฟังไม่ต่างกันเนะีจะมีกําลังใจในการทําตรงนั้นได้ส่วนตัวของข้าพเจ้า แล้วก็มาจากการที่มีความมั่นใจนะมั่นใจในการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้ไ้แล้วคนที่ทําได้อย่างเนี้ยมีอยู่มีอยู่อย่างน้อยก็คนหนึ่งแล้วคือสมมาสมุทุจักของเราแต่แล้วองค์ความรู้ตรงนี้มีความมั่นใจในองค์ความรู้มีความมั่นใจในวิธีการนี้ว่ามันถูกแน่นอนไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราตั้งสติขึ้นเอาไว้เนี่ย มันถูกแน่นอนเกิดให้มีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในเรื่องของธรรมะมีความมั่นใจในเรื่องของธรรมะว่านั่นคือวิธีการการการะทําการปฏิบัติที่ว่าการการะทําการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องได้ผลแน่นอนให้มีความมั่นใจอย่างเช่นนักเรียนคุณเรียนหนังสือคุณจะเรียนระดับมัธยมระดถมหรือระดับมหาวิทยาลัยก็ตามคุณจะต้องมั่นใจในความรู้หนังสือเล่มนี้ที่คุณจะอ่านก่อนนะว่าข้อสอบถ้ามันออกมันต้องออกในเล่มนี้ ถ้าข้อสอบมันจะไม่ออกในเล่มนี้เราจะไปอ่านทําไมเล่มนี้เราก็ไปอ่านเล่มอื่นที่มันจะออกข้อสอบที่จะทําให้เราสอบผ่านได้ที่จะให้เรารู้มีความรู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณจะสอบวิชาคณิตศาสตร์ไปเอาหนังสือภาษาไทยมาอ่านเพื่อหวังว่าจะสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้มันคนละเรื่องกันเพราะเราจึงต้องมีความมั่นใจว่าไอ้ความรู้ที่กําลังรู้อยู่เรียนอยู่อ่านอยู่ทําอยู่เนี่ยธรรมะตรงนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะสอบวิชาวิทยาศาสตร์ก็เอาหนังสือวิทยาศาสตร์มา มันต้องออกตรงนี้แน่นอนสมัยที่ข้าพเจ้าเรียนหนังสือเติมฝัง่มีวิสอบวิชาคณิตศ า, ศาสตร์เอาหนังสือคณิตศาสตร์มาอ่านสมการนี่เป็นร้อยๆสมการเลยที่แบบรูปแบบการคำนวณต่างๆแต่ว่ามันต้องออกในนี้แน่นอนเป็นร้อยๆสมการก็เลย ก, กทุ่มอ่านเข้าไปแต่สุดท้ายก็สอบผ่านเพราะว่ามีความมั่นใจว่ามันต้องออกในเล่มนี้แน่นอนกดหนังสือเรียนนี่เนาะหนังสือเรียนเขาให้เรียนมาก็ต้องออกตามที่เรียนก็อยู่ในนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตัวอังมันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่อย่างที่3มเราต้องมีความมั่นใจว่าถ้าคนที่เขาทําเขาปฏิบัติแต่ตามกระบวนการนี้เขาจะต้องได้ผลนี่คือข้อที่สามแตคือข้อที่1เนี่ยมีคนทําได้มาแล้วนี่คือข้อที่1ให้มีความมั่นใจไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราจะทำํำถ้าเรื่องเรียนหนังสืออรุ่นพี่ๆที่มันจบไปมันก็มีมาแล้วนะหรือว่าคนที่เขาเรียนเร็วเรียนนําน ก, นก็มีมาแล้วอันนี้คือข้อที่1 ข้อที่สองเราต้องมีความมั่นใจในเนื้อหาวิธีการที่เราเรียนอยู่กําลังศึกษาอยู่นี่คือข้อที่2แล้วข้อที่3ก็ต้องมีความมั่นใจว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งทําตามวิธีการนี้เฮ้ยมันก็ต้องได้ผลเหมือนกับคนที่เขาทําได้นั่นนะดี่คือความมั่นใจข้อที่3ถ้าเรามีความมั่นใจ3อย่างนี้จำหัอ ง, งอุปสรรคอะไรมาเนี่ยเราไม่หยุดหรอกเราไม่ท้อด้วยเราไม่เลิกด้วยท้อไปให้ลิงถือคนจะไปถืออะไรคนนั้นต้องวางความยึดถือ มันมาหนักท่วมทับถาถมมาย่างไรก็ตามอ่ะจะมาดึงให้เราเป๋ออกนอกทางอย่างเช่นว่าเพื่อนจะชวนไปตีสนุกเรือไปนักเรียนในหนังสือหรือไปกินไปเที่ยวเฮ้ยถ้าบอกว่าเรามีความมั่นใจว่า้าเราเรียนเราจะจบได้น่าเดี๋ยวเราก็ถ้าคนที่เขาเรียนจริงทําจริงเขาก็ต้องจบได้สิคณเขาก็มีทํากันอยู่นี่นะแล้วเรียนก็ไม่ได้เลยแล้วก็เรียนหนังสือเล่มนี้นี่มีความมั่นใจอย่างนี้มันก็จะทําจริงแน่แน่จริง แตนะ่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากการปฏิบัติก็อย่างนี้แหละทั้งวันเหมือนกันเปความมั่นใจที่ว่ามีผู้ที่ทําได้แล้วมีผู้ที่ทําถึงแล้วก็คือพุท ธ, ธะนั่นเองก็เลยว่ามีพุท ธ, ธะเป็นสารณะมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งแต่นะความมั่นใจในเนื้อหาองค์ความรู้ที่คุณกําลังทําอยู่ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันถูกแน่นอนนะข้อสอบมันจะออกตรงนี้แตนะเราจะตายเราจะแก่ถ้าจะแก่จะตายแล้ว ธรรมะนี่แหะจะเป็นเครื่องที่เมื่อความแก่ความตายนั้นมาถึงจะทําให้เรามียังมีความผาสุกอยู่ได้นี่คือธรรมะตรงนี้นี่คือเรา ม, ม, มีธรรมะเป็นสาระมีธมะเป็นที่พึง่งแต่แล้วถ้าใครทําอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็จะต้องได้ผลแบบที่คนแรกเขาทําไม่ว่าใครอะท่านพุทาธิบุตรก็ทําอย่างเนี้ยทำตามมรรคปฏิบัติตามมรรคก็ได้ผลอย่างที่พระเจ้าได้แต่คือความรู้อันยิง่ง ความรู้ยิ่งความรู้พราอมนิพพานท่านก็ได้พระมหาโมคคละนาคก็ทำตามมีคนแรกที่ทําไว้คือท่านโกนทัญญะโกนทัญญาองค์ไหนโกนทัญญาองค์ที่รู้แล้วนั่นแ่ะอัญญาโกนทัญญามีสาวกในสมัยมุตตการอีกหลายๆท่านนะพะวังที่ก็ทําอย่างเนี้ยทาตามมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาตั้งสติไว้อย่างที่เราทํามีเครื่องอยู่คือลมหายใจก็ทําอย่างนี้ท่านก็ได้ถ้าเรามีความมั่นใจว่าถ้าใครทำํำก็ต้องได้เรียกไราว่ามีสงเป็นที่พึ่ง คำว่าที่พึ่งในคำว่า ง, งเวลาเรามีอะไรมาดึงมีอะไรมันจะมาชวนให้เราไปออกนอกทางให้เราไปคิดให้เราไปท้อให้เราไปไม่มั่นใจให้เราไปคิดในแนวทางอื่นจะติคนนั้นด่าคนนี้เราต้องมีที่พึ่งให้จิตใจเราเข้าหาที่พึ่งเลยเพราะพุทประตรรมประสงค์ให้เราไปตรงนั้นเลยเราจะไม่ออกนอกทางเราจะจ่อมั่นใจมั่นคงในคําสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจะจิตจะไปไปทางไหนมันไม่ได้เลย ถ้าคุณมีที่พึ่งที่ถูกตอ้องทําแต่คำฝังขอให้ทำทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างไม่ขาดสายทำแต่ําฝังทาแล้วมันจะได้ผลได้ผลออกมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าพระราชาเป็นผู้ที่ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้ยังไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเราฝึกได้ไหมเราฝึกได้ไหมถ้าเราเป็นคนที่ฝึกได้ผลที่จะออกมาจะเป็นผลชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า เราจะฝึกได้ทำยังไงเราจะฝึกได้กูมีความมั่นใจในพระบุตรพระธรมประสงค์ใหม่ถ้าเราเป็นผู้ที่ยังมีคิดว่าเฮ้ ي, เราก็เคยพูดหนะ้าพุทธทางสนนังขชามิเนี่ยทำมังสนนังขชามิสั้งทา ง, งสนนังขชามิแต่หมายความว่าอะไรนะก็นี่แหะก็นี่แหะถ้าเราเป็นผู้ที่เคยพูดคํานี้ไว้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะฝึกได้เพราะว่าถ้าเราใช้เป็นทําเป็น พา้นฐานสนั่งกระจาไม่เนี่ยแะถ้าเราใช้เป็นทําเป็นเวลาอะไรที่มันจะทําให้เราไม่ทําจริงไม่แน่แน่จริงเราเข้าหาตรงนี้ถ้าเราเข้าหาตรงนีแ้แล้วเราจะมีการทําจริงแน่แน่แนจริงมีการทําจริงแน่แน่แนจริงไม่ปไมปออกนอกทางมีความคิดมาจะทำให้เราไปคิดเรื่องอื่นเราเข้าหาตรงนี้เลยเราเข้าหาตรงนี้แล้วเรนก็จะไปสู่ตามทางล่ะบุคคลใดบุคคลหนึ่งจำฝังมีความรักตั้งมัน่นมีศรัทธาไม่หวันไหวมีความเลื่อมใสยิ่ง ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือสาววกของพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งการระลึกถึงนั่นะเป็นการระลึกถึงที่ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกทั้งหลายเรือเป็นอนุสตานุตริยะเวลาที่มันจะมีเครื่องอะไรที่มันจะมาทำให้เราออกนอกทางไม่ทำไม่ถูกทางทําผิดศีลจิตใจเปไปคิดเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องไปคิดคิดนึกเรื่องที่มันอคุศลให้เรามีศรัทธาตั้งมันมีความรักตั้งมันในพระเจ้า ในประพุทธในประตัมในประสงค์การระลึกถึงตรงนี้จะเป็นประโยชน์มาเดิมฟังจะไม่จีจ่าของเราเนี่ยไปในทางแต่ไม่มีอะไรที่มันจะมาขัดขวางได้เลยมารก็ขวางไม่ได้เส้นทางนี้ผู้เช่าของเราทําไว้ให้แล้วกีดไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารรมหรือใครๆในโลกเนี่ยจะปรับให้ทางนี้ไปเป็นทางอื่นไม่ได้เลยเป็นจักคือทำอันประเสรศิฐที่พระผู้มีพระภาคหมุนไว้แล้วประกาศเอาไว้แล้ว ให้เป็นไปทางอื่นไม่ได้เราโชคดีมากๆท่านฟังที่ยังมีเส้นทางนี้ให้เราเดินไปตามอยู่โชคดีมากๆท่านฟังที่ยังมีวิธีการปฏิบัติตที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราทําได้จริงแน่จริงเรารู้สิ่งนี้ทําสิ่งนี้มาเนี่ยรับมาให้ดีเถอะทําให้มันดีเถอะต้องได้ผลแน่นอนแล้วทางนี้นจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ํารรำพัน เป็นไปเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์และโทมนัดเป็นไปเพื่อการบรรลุญาญาธรรมเป็นไปเพื่อความดับเย็นคือนิพพานข้าพเจ้าพระมหาไยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจรดญพร